พระเช้าพูดถึงพระนันทิย ะ, นะะพระนันทิยะนี่ประวัติก็น่าสนใจที่จริงพระสาวกหลายลูกนี้น่าสนใจทั้งนั้นนะเดิมท่านเป็นลูกเศรษฐีที่เมืองสาวถีวันนี้ก็ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ เ, เกิดศรัทธาอยากจะออกบวช พอไปขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ยอมดยเดยกพ่อแม่นีภูตายร้องผมร้องไห้นางทิยาก็เลยคิดหนักตอนค่ำก็ออกไปเดินเข้าไปในเมืองเดินตามถนนแล้วนะคุ้นคิดไปด้วยก็ผ่าน บ้าน้า น, นเป็นบ้านของคนรู้จักลูกสาวก็เป็นเพื่อนกันพรากฏว่าไปเ็นตั้งศพของลูกสาวก็เลยเจอความสังเว น, นะว่าชีวิตมันไม่เที่ยงเลยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจแน่แน่ว่าจะบวช ก็กลับไปขอแม่แม่ก็ไม่ยอมท่านไปเลยตัดสินใจใกอดอาหารออาหารก็คงหลายวันนจนร่างกายผ่ายพอในที่สุดก็แม่ก็อนุ ญ, ญาตอันนี้ก็อะไก่างจากพระอนุรุท ธ, ธะที่เราเมื่อสองวันก่อนพระอนุรุท ธ, ธะนี่เป็นลูกกระย์ อยากบวชเพราะว่าไม่อยากรับผิดชอบงานการนะเพราะว่ า, าถ้าคือตกลงกันว่าถ้าพี่ชายบวชตัวก็ต้องรับผิดชอบแทนพี่ชายก็คือดูแลบริหารกาจัดการแผนดินรวมทั้งไปทำ น, นาด้ยวยสมัยก่อนเจาน้าก็ต้องพา ชาวบ้านทำนาอย่างวิธีแรกนาควันแต่ว่านันทียนนี้คนลแบบมันเทียนนี้ไม่ได้มาบวชเพราะว่าอยากจะหลบเลี่ยงนงานแต่ว่ามีศรัทธาถึงขนาดยอมอดอาหารสุดท้ายก็ได้บวชสมใจแล้วก็ได้บวชอยู่กับพระพุทธเจ้าที่เชตวันแต่ว่าบวชมาห้าปีก็ยังไม่รู้ธรรมยังไม่ตััสรู้หรือว่า รู้แจในศัตรธรรมก็เลยขอลาไปไปเล่กเล่นในป่าก็ปฏิบัติธรรมอยู่นานเป็นสิบปีสิบสองปีวันหนึ่งมียคันธุกะมาเยี่ยมจากเมืองสาวัตถีก็ได้ถามว่าพ่อแม่นียากจนพ่อแม่ซึ่งเคยเป็นเศรษฐีนี่แบบ น, นี้ยากจนการเปนขอทาน พระนริยะก็เลยสะท้อนใจก็เลยตกลงว่างั้นลาศิษ ข, ขาดีกว่าตัดสินใจว่าจะลาศิษ ข, ขาแล้วก็เลยกลับไปที่เมืองสาวัตถีก็พอไปถึงเมืองนี้ก็มีทางแยกทางแยกหนึ่งเข้าเมืองอีกทางแยกหนึ่งก็ไปเชตวันก็ที่ว่าไหนๆจะลาศิษ ข, ขาทนทีก็ขอแวะ ไปที่เมืองอไปที่วัดเชตวันก็บังเอิญพระรัจกาลกำลังแสดงธรรมอยู่พอดีเป็นการตอบคำถาม ม, ถามีพรามคนนึงถามพระรเจ้าว่ า, าบินทบาท <c oughs> เลี้ยงพ่อแม่นี่ผิดไหมพระราชก็ตอบว่า พ่อแม่ไม่มีคุณมหาศาลนะเพียงแค่จะตอบแทนบุญคุณด้วยการยกให้พ่อและแม่เนี่ยนั่งอยู่บนบานละข้าแล้วก็เป็ิบัติท่านแม้ว่าท่านจะมีอายุถึงร้อยปีแล้วก็เป็นเป็ิบัตรท่านโดยตลอดแบกท่านไปทุกคนทุกแห่งให้ข้าวให้น้ำ ป้อนขาวป้อนนะ้ำไม่ใช่ให้าง้น้ำป้อนขาวป้อนนะ้ำหรือว่ า, านวดเซนท่านตัว จ, จนท่านอายุร้อยปีก็ยังถือว่ายังตอบแทนคุณท่านในครบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คารวสกด็ดีหรือพระก็ดีนะจะดูแลพ่อแม่เช่นบินทบาตหาว่าเป็น บินทบาทที่ได้มาโดยชอบทำแล้วก็เลี้ยงดูท่านก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ไม่ได้ผิดอะไรนามโมดนาได้ซ้ำพนันที่ได้ฟังเชนั้นก็เลยตัดสินใจไม่สืบนะก็เลยก็อยู่ที่วัดเชตวันนั่นแหละแล้วก็บินทบาทบินทบาทได้มาเท่าไหร่ก็เอาไปเลี้ยงพ่อแม่บินทบาทก็คงได้ไม่เยอะเลยนะสมัยก่อน ไม่เหมือนสมัยนี้นะบาทก็ของก็ได้เป็นบาทแต่ว่าท่านคงดนได้ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเชตวันก็มีพ้าเยอะท่านก็เอาอาหารไปเลี้ยงไปให้โยมพ่อโยมแม่จนร่างกายถ่ายขอเพราะว่าไม่ค่อยได้มีฉันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ให้โยมพ่อโยมแม่กินหมดนะบางทีว่าท่านก็ช่วยปาชมให้ เส้อผาให้พ่อแม่ดีวก็มีพระมาเห็นก็มามาไปฟอ้องพระเจ้าไปฟอ้องพระเจ้าว่าปัณฑียานีดินทะ บ, บาตเพอที่หาเลี้ยงพ่อแม่แต่ผู้ผ ส, งสงฆ์ก็ทรงสรรเสริญว่าท่านปัณทียานีทําถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นฉานในสมัยเป็นเกรดอีกเกรดห น, นึ่งใน สมัยพุทธกาลนะที่ว่าล้านี้ไปดิ้นลบากเพื่อที่จเลี้ยงพ่อแม่เนื่องจากเป็นสิ่งที่แด้บุโดยชอบทำก็คือว่าไม่ได้ไปหลอกไม่ได้ไปขอใครนะและแต่ว่าคนจะให้ด้วยศรัทธาหรือไม่เมื่อไม่ได้ศรัทธาก็เมื่อเอาไปเลี้ยงตัวเองบ้างเลี้ยงพ่อแม่บ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ตอนาพระนันทยาก็ท่าอย่างมั่นคงในปมใจก็จนทั่งได้บรรลุธรรมไปชะและคันตอนที่พระเจ้าจตอบคำถามของพราหมณ์ที่ถามว่าบินทบาีเลี้ยงพ่อแม่ผิดไหมนี่ที่จริงพระเจ้าก็พูดอีกขยายความเพิ่มเติมล ว, ว่าถึงแม้ ว, ว่าจะไม่สามารถจะตอบแทนด้วคุณพ่อแม่ได้ไดหมดด้วยการ แดกท่านได้บนบ่าทั้งสองข้างแล้วก็ป้อนข้าวป้อนน้ำปลอมดบัติพัดวีท่านอยู่บนบา่าแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ลูกสามารถทําได้แล้วก็เป็นการตอบแทนคุณท่านแดงแท้จริงก็คือว่าพาท่านเข้าหาธรรมะถ้าว่าพ่อหรือแม่นั้นเป็นผู้ไม่มีใจใ่ในทานก็พาท่านให้เข้าหา การบำเพ็นทานถา่าท่านยังไม่มีศีลก็พาท่านให้มีความมั่นคงในศีลนะถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาก็ชักชวนท่านให้มีศรัทธาศรัทธาในความดีงามก็เช่ในพัฒนนักตรายถ้าท่านยังไม่มีปัญญาก็พาท่านให้เข้าใจเกิดปัญญาขึา้นมะาขั้วงานคัอว่าให้ท่านถึงพร้อมด้วยพาหริจครั ก, ก แล้วก็ศีลศรัท ธ, ธาและปัญญาถ้าว่าทําให้ท่านได้มีศรัท ธ, ธามีศีลมีจากคะมีปัญญาอย่างถึงพร้อมอย่างนั้นแหละจึงจะเรียกว่าได้ตอบแทนบุญคุณงท่านก็คือว่าแทนที่จะให้ท่านได้ทรัพย์ให้อาหารแก่ท่านก็ให้ศรัพย์แก่ท่านแต่เป็นอริยทรัพย์ธรรมะนี่เป็นอริยทรัพย์การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือพาท่านเข้าหาธรรมะ ให้ท่านได้พบอริยสัพพนะ์เพราะว่านั่นแหละจะทำให้ท่านค้นทุกข์มีความสุอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่สำคัญน ะ, ะที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าพระเจ้าสอนว่าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไรแต่ก็อาจไม่รู้ว่ามันเรื่องนี้ก็สืบเนื่องกับพระนานทียังนะ ซึ่งประวัติของท่านก็ชี้อเห็นถึงความเป็นความไม่เที่ยงจริงๆนะคือพ่อแม่นี้เคยล่ำรวยมาก่อนเสร็จ แ, แล้ววันดีคืนดีก็ยากจนนะล้มละลายแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะสำหรับการที่คนเราจะทำความดี แล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความมั่นคงในในประวัติกรรมมากก็คือว่ารู้ว่าชีวิตมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเล่นทำความดีอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าบอกว่าคนเนี่ยมีสี่ประเภทเหมือนกับม้าสี่ชนิดม้าประเภทที่หนึ่งเนี่ยโดน เห็นเห็นแค่เงประตัดของสารถีก right? ็รู้ว่าจะทําอย่างไรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือรู้ใจสารถีมาปไปทิศส์ต้องโดนประตักทิ่มถึงขุ่มคนนะถึงจะรู้ว่าควรจะทําอะไรประเภทสาต้องโดนประตักทิ่มไปถึงหนังนะไปถึงเนื้อเลยถึงจะรู้ประเทสี่นี่ต้องโดนประตักทิ่มไปถึงกระดูกเลยถึงจะรู้ว่าควรจะทําอะไร คนสีประเภทเป็นอย่างไรประเภทแรกนี้เพียงแค่รู้ว่ามีคนตายก็เกิดความสังเวชอยากจะเข้าหาธรรมประเภทที่สองนีต้อง เ, อเห็นคนตายก่อนะถึงจะเกิดความสังเวชเนะข้ออาธรรมประเภทที่3มี่คนใกล้ชิดเช่นพี่น้องญาติมิตรตายถึงจะเกิดความสังเวชประเภทที่สีนี้ต้อง เจอความตายใกล้ตัวหรือว่าอย่างที่เรียกว่าไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตจะมีข้อหาธรรมะอย่างพระอย่างพระนันทิยะหรือว่ามานพนันทิยะนี่นะเห็นแค่ได้รู้ว่าเพื่อนตายก็เกิดความสังเวชแล้ข้อหาธรรมะไม่ต้องร้อยคนใกล้ชิดยังเป็นไปซะก่อนหรือไม่ต้องรอให้ตัวเองนี่เป็นยังเป็นไปเรียกว่าเรียกว่าไวไวัยต่อความไม่เพียงหึงชีวิตเราก็เลยมุ่งม้านในาตามปฏิบัติธรรม อันนี้ก็เป็นเกจนะที่เรารู้ไว้ก็ดี